สรรพสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในหมวดที่ห้านะในหมวดที่ห้าในหัวข้อว่าอะนันติยกรรมนะอนันติยกรรมความหมายของคำว่าอนันติยกรรมแปลว่ากรรมอันให้ผลในภพ อันเป็นลำดับหรือใไในหนึ่งว่ากรรมอันให้ผลในภพหาระหว่างไม่ได้นะคือไม่มีกรรมอื่นอื่นจะมากั้นนะจะมากางกั้นให้พบให้ผลตลอดอยู่ตลอดเวลาติดต่อกันไปตลอดเวลาในเมื่อละจากภพนี้แล้วก็ต้องได้รับผลของอนันตเรกกรรมไปสู่ภพหน้าต่อต่อกันไปนะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าอนันตรยกรรมอนันตเรยกรรมนั้นก็มีอยู่ห้าอย่างด้วยกัน คือหนึ่งมาตุคาตฆ่ามารดาสองปิตุคาตฆ่าบิดาสามอารหันตุฆาตฆ่าพระอรหันต์สี่โลยิตุบาตทำร้ า, รายพระพุทธเจ้าจนยังพระโลหิตให้หอกขึ้นไปข้อที่ห้าคือสังฆเภทยังสงให้แตกจากกันนะทั้งห้าอย่างนี้หากว่าผู้ใดประพฤติถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานตั้งแต่อยู่ในฐานะของอถ้าเป็นท่าก็ถือว่าเหมือนกับว่าอหมดจากความเป็นพิสุปไปเลยะนั้นของผู้ที่นับถือศาสนาห้ามไม่ให้ทําเป็นเด็ดขาดถ้าผู้ไหนทําก็ถือว่าผู้นั้นก็เท่ากับว่าเกิดมาแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่เวรมีแต่กรรมมากฉะนั้นจึงบอกว่ากรรมทั้งห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปอันหนักที่สุดนี่เป็นบาปอันหนักที่สุด ทีนี้ในข้อแรกที่บอกว่ามาตุกคาตคือฆ่ามารดาฆ่ามารดาก็คือฆ่าแม่ปีตุคาตก็คือฆ่าพ่ออันนี้ก็จะพูดควบคู่กันไปเลยอันนี้แน่นอนที่สุดอท่านผู้ฟังทั้งหลายคนผู้ฆ่ามารดาบิดาของตนแล้วจะไม่ฆ่าคนอื่นเห็นจะไม่มีขนาดพ่อแม่ของตนยังฆ่าได้ทําไมคนอื่นจะฆ่าไม่ได้นะคนอื่นฆ่าได้นะ คนเองก็จะ่าพ่อแม่ของตนเองก็เท่ากับว่าฆ่าร่มโพร่มใส่นะฆ่าร่มโพร่มใส่หรือเรียกว่าฆ่าอาจารย์ของตัวเองด้วยฆ่าเทพประดาของตัวด้วยฆ่าพระพรหมของลูกด้วยนอะหรือฆ่าพระอาหารของลูกนี่ฆ่าเอาเนยยะบุคคลของลูกนี่อันนี้เราถือว่าเป็นคนที่ใจดำเอามาหิดมากเลยนะใจดำเอามาหิดมากอ่นะาฉะนั้นถ้าลูกคนใดทําอย่างนี้ลูกคนนั้นก็ จะไม่มีโอกาสได้มรดกได้ผลได้นิพพานจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์นะก็เรียกว่าบิงเลยนะไปนรกอย่างเดียวนะไปนรกอย่างเดียวนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่นี้จึงมีโทษมากในเมื่อพระพุทธองค์ก็ได้ตัดไว้แล้วว่ามารดาบิดานั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นบุรพาจารย์ของลูกนะเป็นครูคนแรกของลูกที่อบรมสั่งสอนให้ลูก ได้รู้จักคำว่าแม่เป็นคำแรกรู้จักคำว่าพ่อนะรู้จักกินรู้จักนั่งรู้จักยืนรู้จักเดินรู้จักนอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้พ่อแม่ทาหน้าที่เป็นครูคนแรกที่อบรมสั่งสอนให้ลูกรู้จักดีรู้จักชั่วบอกทางดีทีทางชั่วให้ น, ะนะนี่ฉันอันนี้เราจะบอกว่าพ่อแม่นี่แหละถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกระการที่สองพ่อแม่พระพุทธองค์ตรัสว่า เปรียบเหมือนเทพปยดาของลูกที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกอ่าคนอื่นในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมาปกป้องคุ้มครองได้ดีเหมือนกับพ่อแม่ไม่มีอีกแล้วนะในโลกนี้ไม่มีอ่าพ่อแม่เท่านั้นที่คอยปกป้องคอยระแวดคอยระวังทุกสิ่งทุกอย่างนะตามลูกไปอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าบางครั้งลูกนั้นจะต้องจากบ้านไปลงเรือนไปไหนก็นแล้วแต่นอ่แหละแม่จะมีความสุขก็จะเมื่อลูกนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วนะลูกนั้นกลับมาถึงบ้านแล้ว นั่นแหละเรียกว่าอ Elle, จึงจะมีความสุขได้จึงจะมีความสุขแต่ถ้าหาว่าลูกยังไม่กลับมาใจพ่อแม่ก็อะไรอววรอยู่กับลูกนั้นพูพันุอยู่กับลูกนั้นและยิ่งไปกว่า น, นั้นพ่อแม่ก็ยังเอาใจตามไปคอยปกป้องคุ้มครองสวดมนต์ภาวนาะคอยลูกนั้นมีความ อ, าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงบอกว่าไม่มีใครที่จะปกป้องคุ้มครองลูกได้ดีไปกว่าพ่อก ว, ว่าแม่จากนั้นพ่อแม่จึงได้นามว่าเป็นเพพรรทพเลียดาวของลูกอรุ่นเหล่าเทพาอารักษ์ต่างๆ ท, ท, ท, ท, ที่คอยปกป้องคุ้มครอง ให้อประชาชนหรือว่าให้ชาวโลกได้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นในข้อที่สามที่บอกว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกคือหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมสี่อย่างก็คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาฉะนั้นทั้งสี่อย่างนี้มีอยู่ในใจของพ่อแม่คนอื่นที่ว่ามีต่อลูกของเรานั้นมันไม่ได้เที่ยวไม่ได้ครึง่งที่เขาบอกว่า คนอื่นพ่อแม่คนอื่นที่ว่าด่าลูกนะนะเขอประทานโทษคนอื่นที่ว่ารักลูกของเราเนะ่ยก็ยังไม่เท่ากับแม่เกลียดลูกความรักมันยังน้อยกว่าที่แม่เกลียดลูกเสีอีกไอ้ที่แม่บอกว่าเกลียดลูกที่ว่าด่าลูกนะจริงๆแล้วแม่ยังรักมากนะรักสุดทีวิตรักสุดดวงใจอนะในขณะที่ดา่าด่าลูกนะี่ยถ้าเกิดว่าลูกมันวิ่งไปจะไปตายเนะี่ยพ่อแม่ก็จะวิ่งก็ไปขัดขวางไปห้ามทันทีนะ แต่ปากของพ่อแม่ก็ต้องด่าไปอย่างนั้นนะด่าไปอย่างนั้นแต่บางทีลูกไม่เข้าใจนะเขาเรียกว่าปากร้ายใจดีนะปากร้ายใจดนะีอันนี้ก็มีเป็นตัวอย่างเยอะนะเรียกว่านิตาวินทุกกะนิตาวินทุกกะนี่ก็คิดจะไปไปล่าเนื้อในป่านะพ่อแม่ก็ห้ามบอกอย่าไปเลยลูกนะอย่าไปเลยว่าการที่ไปล่าเนื้อในป่านั้นะมันล้มาก มันมีอันตรายมากนี่ผลที่สุดแกไม่ยอมนะอแม่จะไปห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ยอมแม่กดจับแขนนางไว้ว่าลูกจะไปเลยนะมิถุนทุกกาไม่ยอมก็สลัดแม่จนล้มลงไปฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าแม่ก็ไม่พอใจก็เลยพูดบอกเอา้าลูกเข้าป่าไปก็ขอให้ควายปามันคิดให้ตายเลยนี่ก็ปรากฏว่ามันอาถรรพ์อย่างไรก็ไม่ทรบาบนะเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมา ปรากฏว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ควายป่าก็วิ่งมาทันทีเลยตรงมาเลยแม่มิตรวินุกก็เอ๊นี่สงสัยว่าไอ้คําพูดของแม่เรานี่จะสักฟิดซะแล้วนะอยากก่านั้นเลยเราจะต้องตั้งกรรยาณจิตใหม่ยกมือบณรมขึ้นว่าถ้าหากว่าปากกับใจของแม่ตรงกันว่าขอให้ควายป่าขิดลูกจะตายอ้าวเราก็ยอมขอใควายปา่าชมคิดแล้วเถอะแต่ถ้าหากว่าปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่ง ที่แม่พูดไปนั้นไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันมาปากบอกให้ควายป่าผิดแต่ว่าใจเลยไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ขอให้ควายป่านั้นได้วิ่งหลบหนีไปปรากฏพออธิษฐานจบควายป่า ก, ก็วิ่งหลีกไปเลยนี่อันนี้เป็นเครื่องเชี่ยวเห็นว่าพ่อแม่นั้นปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งนะแต่ว่าบางทีลูกคิดไม่ถึงว่าพ่อแม่ทําไมจึงต้องด่าเราทําไมจึงต้องตีเราเ อ, อทําไมจึงบ่นเนี่ยที่จริงต้องการให้ลูกตีแต่ว่าลูกรู้เท่าไม่ถึงการของ คำว่ากล่าวคำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเอง <c oughs> ลูกบางคนจึงต้องเถียงพ่อเถียงแม่ลูกบางคนยิ่งเกิดความกฟัดกเฟรียทุกสิ่งทุกอย่างจึงหนีพ่อหนีแม่ไปผลที่สุดก็มีแต่ความลําลบากความเหนื่อยยากทุกสิ่งทุกอย่างนะลงท้ายก็คือว่ากลับมาหาพ่อแม่เรียกว่าหมดเนื้อประดาตัวนะกลับไม่กลับเปล่ายังว่าขอประธานโทษบางทีก็ยังเอาหลานมาให้พ่อแม่เลี้ยงซะอีกนะหรือบางทีก็ อุมท้องมาอะไรต่างๆนานา น, า น, านี่แหละจึงบอกว่าอะไรจะมารักลูกเทาพ่อแม่ไม่มีอีกแล้วลูกจะชั่วดีอย่างไรก็ยอมรับว่าเป็นลูกนะไม่เคยทอดทิ้งแต่คนอื่นเคารักลูกนั้น เ, เขารักเพื่อหวังการตอบแทนนะรักเพื่อหวังการตอบแทนถ้าเรายังดีอยู่เขาก็รักแต่ถ้าเราไม่มีดีเขาก็ไม่รักและนะนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าคนอื่นเขารักโลกของเรานั้นก็คือว่าเขาดูว่าสวยไหม นะหล่อไหมถ้าไม่สวยไม่หล่อเขาก็ไม่รักอ่าเขาดูต่อไปอีกว่ารวยไหมถ้าไม่รวยเขาก็ไม่รักอ่แล้วเขาก็ดูต่อไปอีกว่ามีความรู้ไหมถ้าไม่มีความรู้เขาก็ไม่รักแต่ว่าพ่อแม่ในลูกจะสวยหรือไม่สวยก็ตามลูกจะหล่อหรือไม่หล่อก็ตามลูกจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามอลูกจะรวยหรือไม่รวยก็ตามพ่อแม่ก็รักว่เป็นลูกไม่เคยอิจฉารักษาใจนี่ให้เปรียบไม่เห็นว่าความรักของแม่เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะทุกๆกคนเป็นอย่างนี้ แต่ว่าลูกไม่เข้าใจนะเมื่อลูกไม่เข้าใจก็แน่นอนที่สุดอ่านะก็เกิดความไอช่องว่างระหว่างแม่กับลูกก็เกิดขึ้นนะเกิดความขัดแยง้งกันอะ่ายิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีปัญหามากนะจึงได้มีการรณรงค์กันว่าอ่าให้เลี้ยงลูกด้วยนมบ้างนะด้วยนมแม่นะจิตใจจะได้เหมือนแม่แล้วก็ทางแพทย์เขาก็บอกไว้แล้วว่านมแม่เนี่ยมีพลานามัยดีกว่านมอื่นใดทั้งสิ้นนะต่อต้านอ่านะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาน า, นานได้ดีกว่า ด้วยนมอย่างอื่นการที่เราเอานมอื่นมาเลี้ยงนั้นก็ทำให้เราไม่ได้รับสายเลือดนะจากพ่อแม่นะจากพ่อแม่ก็ไปรับสายเลือดออกมาจากนมโคบ้างนะนมหมีบ้างอะไรบ้างจิตใจก็เลยเหมือนกับเป็นวัวเป็นควายเป็นสะัตว์ไปะฉงนั้นใจของโลกทุกวันนี้จึงรู้สึกว่าเยี่ยมเกรียมนะเยี่ยมเกรียมแล้วก็ใจร้อนนะมโหกโรธามีอารมณ์จุนเฉียวมากกว่าคนสมัยก่อนนะ ไม่พอใจอะไรนิดไม่พอใจอะไรหน่อยก็กับฟันกาเฟียลงบ้านนี้ไปเลยอันนี้ก็สร้างปัญหาเปียกปวดเสียนเวียนกล้าวให้เกิดขึ้นกับพ่อแม่เป็นอย่างมากนะอันนี้ก็ที่ยเห็ น, นว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่นะอันนี้ก็เคยได้สอนลูกศิษย์ทั่วไปว่าให้เขียนไว้ที่โต๊ะก็ดีนะหรือที่ที่ที่นอนก็ดีว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่นะคนอื่นว่ารักเรานั้นไม่แน่จะร้ายนะ นะไม่แน่สบายแต่พ่อแม่นั้นจริงๆรงรักลูกจริงๆอันนี้ก็มีเรื่องที่จะยกมาประกอบก็คือว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครอบครัวหนึ่งนี้ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งพ่อแม่เมื่อมีลูกอยู่คนเดียวนะเป็นลูกชายลูกโทนซุ้ยรยแหมรู้สึกว่ารักห่วงเห็นมากพยายามส่งเสียให้เราเรียนศึกษาต่างๆจนกระทั่งสำเร็จมหาวิทยาลัยนะได้เป็น บรรจุก็ได้เป็นประหลัดอำเภอนะแล้วก็ได้เลื่อนขัน้นอะไรๆจนกระทั่งเป็นนายอำเภอลูกตอนที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ยังไปมาหาสู่ในบ้านนะยังไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่ายังต้องอาศัยเงินทองจากพี่จากพ่อแม่อยู่นะแต่หลังจากที่จบไปแล้วไปรับรชาชการแล้วก็ไม่เคยไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่เลยนะไม่เคยไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่เลย พ่อแม่ก็เท่าติดตามลูกถามข่าวข่าวว่าเอ๊ะลูกไปอยู่ที่ไหนนะลูกไปอยู่ที่ไหนผลที่สุดก็ทราบว่าอาลูกนั้นได้ไปเป็นนั่นเภอนะอยู่ที่อำเภอหนึ่งอที่ทางภาคเหนือซึ่งอำเภอนี้ก็ก็ไม่ถึงภาคเหนือเลยแะเรียกว่าค่อนไปทางเหนือทําแม่น้ําเจ้าพยาว่าไงชายแม่น้ําเจ้าพญาดังนั้นพ่อแม่คนนี้ก็เมื่อทราบอย่างนั้นแล้วก็ถึงกับขายบ้านขายเรือนนะขายที่ไร่ที่นาเพื่อต้องการจะไปพบหน้าลูก ต้องการไปพบหน้าลูกก็ซื้อเรือเข้าลำหนึ่งสองคนตายายภายหัวภายทาย้ทายเกมสเสบียงกลางไฟไปในเรือเต็มเลยเมื่ไหนนอนนั่นคมไหนก็พักที่นั่นแหละว่างั้นเถอะสองคนตายายกว่าจะไปถึงอำเภอที่ลูกอยู่นั้นก็รู้สึกว่าเป็นแรงเดือ น, นเพราะว่าค้นแกแล้วนี่นแกแล้วนี่กว่าจะภายเอากำลังที่ไหนมาเหมือนยังคนน้นนมค้นสาว แล้วก็พายกันเป็นเดือนอย่างนี้โอโหไม่ไหวหรอกนะมันต้องทวนกระแสะน้ำด้วยนะต้องทวนกระแสะน้ำด้วยรู้สึกเมื่อยล้ามากแต่ก็ไม่ละความพยายามในความที่เอาลูกนั้นเป็นจุดจุดดึงดูดในการที่จะมาพบในครั้งนี้เรียกว่าลูกนั้นเป็นแรงใจทำให้พ่อแม่มีกำลังในการพายมาได้ถึงเป้าหมายได้เ <c oughs> มื่อลูกเมื่อพ่อแม่ได้มาถึงยางที่ อำเภอที่โูกอยู่แล้วก็พอดีในเช้าของวันนั้นพ่อแม่ก็เอาเรือเข้าไปจอดไว้ที่แพรมีชายคนหนึ่งได้ลงมาที่แพรนั้นคุณยายนั้นก็ถามบอกว่านี่พนมรู้จักท่านานายอำเภอชื่อนี้ไหมฮะคนนั้นก็บอกรู้จักครับยายเขาเป็นนายผมเองเออเอ็งไปบอกเขาทีนะว่าแม่มาเยี่ยมแล้วไปบอกเขาที ก็ปรากฏว่านายหนุ่มคนนั้นก็เลยไปบอกท่านอำเภอว่าท่านครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของท่านมาเยี่ยมอขออยู่ที่ท่าน้นํานทนนายอำเภอท่านตอบอยังไงท่านผู้ฟังท่านบอกคุณพ่อแม่ผมมีที่ไหนเล่าพ่อแม่ผมตายโหงไาหง้าหาไปหมดแล้วนี่ยตายไปนานแล้วไม่มีหรอกมีแต่คนอื่นชอบมาแอบอ้างอเอาผมไปขายอยู่เรื่อยอทาให้เสียชื่อเสียงหมด คุณเอาเงินยี่สิบาทนี่ไปให้เขาทีนะเขาจะได้ไปไกลๆไปให้พน้นหวันนั้นนมคนนั้นก็เอาเงินจากนายอำเภอยี่สิบาทเดินลงมาที่ท่านนะพอมาถึงที่แพรก็บอกว่าคุณยายท่านนายอำเภอบอกว่าพ่อแม่ของท่านนายอำเภอเนะี่ยตายไปนานแล้วนะตายไปนานแล้วอ่านะก็เลยฝากเงินนี่มาให้ยายรับตาเนี่ยยี่สิบบาทนะแล้วก็จะได้ไม่มา อ้างเอาว่าแหนเ่เผอเป็นลูกอีกว่างั้นทําให้เสียชื่อเสียงหมดนะแม่พ่อพอได้ฟังอย่างนี้หมดกําลังใจนะหมดกําลังเลยนะไอตอนที่ยังไม่ได้ฟังนะก็ยังพอมีกําลังที่จะพายไปได้แต่พอฟังว่าลูกไม่ยอมรับว่าเป็นลูกทั้งๆั้งที่อุตส่าห์พายเรือมาเป็นเรนเดือนแล้วแม่เหนื่อยจนจะตายใจจะขาดนะลูกกลับไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วมันจะมีความหมายอะไร ไอ้เงินยี่สิบาทจะมีความหมายอะไรนะไม่มีความหมายเลยนะแกก็เลยเอาละเมื่อเขาไม่ยอมแล้วเพรเป็นลูกกูจะอยูล่ละนะเอาถอยเรือออกดีกว่านะไปตายเอาดาบหน้านึกในใจก็ปรากฏว่าแกก็ค่อยๆเอาไอ้พายเนี่ยค้ำแพรที่จะถอยเรือออกห่างจากแพไปแต่ว่ามือมันสั่นซะแล้วนะมือมันสั่นก็ปรากฏว่าเพิ่ม เท่มแพรไปผิดก็เลยพลาดลงน้ําไปเรือก็พลั้มคว่ําลงไปปรากฏว่าคนที่อยู่ใกล้ก็รองกันวิดวาดวุ่ยหวอะไรกันมาลงมาช่วยแต่ก็สายไปปรากฏว่าจมน้ําตายนะไอจมน้ําตายเพราะว่าไอแรงที่เสียใจว่าโลกไม่ยอมรับว่าเป็นโรกนี่สิมันใจจะขาดอยู่แล้วแล้วพอจมลงไปก็ตายทันทีเลยนะตายไวตอนนี้แหละปรากฏว่าเมื่อตายแล้วในอําเภอยอมรับว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ นี่แล้วมันจะมีความความหมายอะไรท่านผู้ฟังนะไอตอนที่เขาพายมาหาตั้งใจนี่แม่ท่านลูกลงมาเนี่อุย้ยพ่อแม่ทนะจจ่จะดีใจแทบตายนะดีใจสุดแสนจะดีใจอาจจะ อ, อกอดคอแล้วกอดคออีกร้องให้น้ําตาไหลนะแต่นี่ตัวเองกลับไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเมื่อพ่อแม่ตายเไปแล้วจึงยอมรับว่าเป็นลูกจึงยอมรับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันก็ไม่มีความหมายแล้วตอนนี้ ปรากฏว่าตอนนี้นายเพลก็เอาพ่อแม่ไปตั้งทำศพตัวเมียใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ไม่มีใครไปร่วมงานเลยนะไม่มีใครไปร่วมงานเพราะเขารู้แล้วว่านายเพล่นี้เป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฉะนั้นคนลงจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ไอ้เรามันก็ฆ่าได้มาเป็นเจ้านายเราไม่ได้นะคนอย่างนี้อปรากฏว่าทุกคนไม่ไปร่วมในงานนั้นทําให้นายเพล่พร้อมด้วยเมียและลูกต่างๆก็เกิดความเศร้าเสียใจ จนไม่เป็นอันทํางานทําให้หน้าที่การงานนั้นบกพร่องถึงกับถูกไล่ออกจากอาเภอเมื่อถูกไล่ออกจากนาอาเภอแค่นั้นยังไม่เท่าไหร่ไอความเสียใจก็ยิ่งมากเป็นทวีคูณเพราะว่ามีแต่ได้ยินแต่เสียงคนทั้งอําเภอทั้งจังหวัดได้พูดสาบแช่งกันต่างๆนะผลที่สุดก็อบพยพครอบครัวนำพาลูกพาเมียเข้ากรุงเทพ ก็ปรากฏว่าขับรถเก๋งมาก็มาประสานงานกับสิทธิ์ตายเรียบเลยนี่ตายเรียบเลยฉะนั้นนี่แหละเป็นเครื่องเชี่ย้เห็นว่านะไอ้ลูกที่ฆ่าพ่อข่าแม่นี้เวรกรรมมันมากนะบาปกรรมมันมากนะมากเหลือเกินฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากว่าท่านมีพ่อมีแม่นะท่านต้องเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงด้วยกายเลี้ยงด้วยใจรู้จักถนอมน้ําใจท่านเป็นธรรมดาการเลี้ยงคนแก่นั้นเราจะต้องเอาใจ นะต้องเอาใจลูกที่ดีก็มีนะลูกที่ตั้งใจเลี้ยงพ่อแม่เอาใจพ่อแม่สนใจพ่อแม่หงหาอาหารให้อาบน้ำให้ซื้อเสือ้อผ้าอาภรณ์ให้ปริบัติพ่อแม่อย่างดีมีเงินดาวน์เนเดือนก็ให้พ่อแม่ใช้อย่างเหลือเฟือลูกอย่างนี้แหละเป็นลูกที่ดีนะเป็นลูกกตัญญูลูกอย่างนี้พ่อแม่ต้องการลูกอย่างนี้พ่อแม่ปรารถนาเหลือเกินนะปรารถนามากฉ ะ, ฉะนั้นถ้ า, ถาหากว่า เป็ลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เหมือนว่าฆ่าพ่อแม่ทางอ้อมและลูกที่ฆ่าจริงๆเขาก็ยิ่งมีเวรมีกรรมมากนะมีเวรมีกรรมมากฉะนั้นอพูดถึงตัวอย่างของการฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีเยอะแต่ว่าเวลาจะไม่อํานวยให้ก็ยกมาอเพียงหนึ่งเรื่องทีนี้มาในข้อที่สามที่บอกว่าอรหันตฆาตก็คือฆ่าพระอรหันต์การฆ่าพระอรหันต์ก็เหมือนกับอฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกเหมือนกันนะเป็นอนันตรกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดบาปที่สุดนะ บาปที่สุดเลยนะคนที่ฆ่าพระอาหารนี่เรียกว่าบางทีก็อถูกแผ่นดินสูบอีกเหมือนกันนะถูกแผ่นดินสูบดูอย่างในอามารนบคนหนึ่งนี่แกเพียงแต่แกว่าไปาขคมขืนนางพิษุณีนะข่มขืนนางพิษุนีผู้เป็นพระอรหารต์ผลที่สุดเสราจจากนั้นก็ถูกแผ่นดินสูบนี่ถูกเาเรียกว่ากรรมมันหนักมากบาปมันหนักมากแม้แต่ผืนแผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับอคนประเภทนี้ไว้ได้ คนประเภทนี้ไว้ได้ผลที่สุดก็คือว่าจมดินลงไปจมดินลงไปดูดูเพียงแค่อให้ร้ายพระพุทธเจ้านิดเดียวแค่นั้นก็โทษก็คือถึงแผ่นดินสุบแล้วะถึงแผ่นดินสูบแล้วอามาในข้อในข้อที่สี่ก็คือโลหิตบุบัดคือทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงกับพระโลหิตให้ห่อจนถึงกับพระโลหิตให้ห่อหรือให้ฟกช้าดําเขียวได้ทารองนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอนันดิต์จริยกรรมเป็นกรรมหนักเป็นกรรมหนักอีกเหมือนกันทําไมถึงว่าเป็นกรรมหนักเพราะว่าคนเรานั้นโดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งเคยหัดและก็บรรพณิชตาแน่นอนที่สุดก็ต้องนับถือพระอาหารหันต์ต้องนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ว่าถ้าหากว่ามาคิดทํำร้ายพระพุทธเจ้าแม้เพียงแต่ว่าทําโลหิตให้ห่อแค่นี้ก็มีโทษมากแล้วแค่นี้ก็ห้าม ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานแล้วนะดูยังก็เทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้านะอยากจะเป็นใหญ่ซะเองถึงกับไปเ ก, กลี้ยกล่อมในอยนายธนูมานะไปเ ก, กลี้ยกล่อมในานูให้มายิงพระพุทธเจ้าผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรมานในานูนั้นจนต้องยอมรับฟังธรรมจากพระองค์นะฟังธรรมจากพระองค์นี่ทำอะไรไม่ได้แต่ก็เกิดความน้อยใจโยกใหญ่อา้าวถึงกับ เล่งหินนะเล่งหินจะทับพระพุทธเจ้าพรอบรากรว่าหินนั้นก็ไม่ทับนะถึงกระสเกตหินนั้นแตกลงไปกระทบที่ข้อประบาทของพระองค์ถึงกับโลหิตให้ห่อไปนิดหน่อยนะแค่นั้นก็รู้ว่าพระพุทธองค์ยังไม่ ย, ไมยังไม่ตายพูดด้วยภาษาชาวบ้านยังไม่ตายก็ยังไม่สะใจก็ยังไปจ้างไอควานช้างต่างๆนี่ให้ให้เอาช้างตัวตกมันมานะแล้วก็เอาเหล้าอะไรกินให้เมาเต็มที่เลยปล่อยไปเพื่อจะให้ เหยพระพุทธเจ้ากับพวกพระภิกษุที่กำลังเดินมิถะบาตหรือให้ทิ่มให้แทงด้วยงานะคนที่สุดช้างนั้นก็ถูกพระพุทธองค์ทรมา น, นแล้วก็ทรมานแล้วก็ยังสอนให้ช้างนั้นอนะ่ะว่าต่อไปนี้เจ้าอย่าเบียดเบียนพวกสัตว์มนุษย์เลยอจงอย่าเบียดเบียนเลยแต่ ว, ว่าทําจิตใจให้ให้ดีวังั้นเจ้าก็จะไปเกิดบนสวรรค์ได้คนที่สุดช้างนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ยังไปตั้งเกิดในสวรรค์แต่ส่วนพระเทวทัตนั้นได้รับกรรมหนักน่ะได้รับกรรมหนักก็คือว่า ถูกแผ่นดินสูบนี่ถูกแผ่นดินสูบเห็นไหมไอ้คนที่มันทํำบาปมากมากนี่แน่นอนที่สุดโดยเฉพาะทํากับพ่อกับแม่ทํากับพระอาหารหันต์ทํากับพระพุทธเจ้านี่ไปไม่รอดพื้นแผ่นดินแม้ว่าจะหนาขนาดไหนก็ไม่สามารถจะรองรับคนพวกนี้ได้นะจึงต้องแยกออกไปนะแยกออกไปนะนี่เรียกว่าโลหิตุบาทหรื อ, อยังอสุ ป, ปะพุทธก สุตปภุท ธ, ธาถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นพ่อตาเจ้าชธธายจิตตถาก็คือพ่อตาพระพุทธเจ้านั่นแหละพูดอย่างภาษาชาวบ้านปรากฏว่าเอาหนามมาล้อมไม่ให้พระพุทธเจ้าออกบินาบาบนะกั้นปิดรั้วกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าออกมินดาบาผลที่สุดก็แผ่นดินโศกอีกเหมือนกันหรือว่ายังนางจินจะมานาวิกาไปกล่าวตัวพระพุทธเจ้าใส่ร้ายพระพุทธเจ้าอ่า ว่าพระพุทธองค์นั้นอ่ได้มีความสัมพันธ์กันนะมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งจนกระทั่งกับทําให้ตั้งคันนะไปกล่าวต่อหน้าประชาชนอย่างมากนะทําให้ประชาชนนั้นเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่นะที่จริงนางนั้นก็ได้เอาผ้านะได้เอาผ้าหรือเอาไม้ี่ไปผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าพันหลายๆชั้นเข้า ทำเป็นว่าท้องมาได้แปดเดือนแล้วนะยังไปก่าวชดชดชด ช, ช, ชี้หน้าพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมว่าพระสมะโโดมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรู้ดีแต่ในเรื่องการทำความอภิรมเฉยชิดแค่นั้นนะแต่แทนที่ว่าจะหาที่ให้คลอดลูกนะ่ะรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะหรือว่าจะให้ใช้ให้คนมาช่วยกันรับสารคันประคับประครองนะก็ไม่มีนะพูดง่ายๆก็คือว่า นีแต่สร้างโลกว่างันเถอขอประทานโทษว่าอันเถอะแต่ว่าแทนที่จะมาช่วยบริหารคันรักษาคันให้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยไม่มีความรู้เลยทําไม่ได้เลยนะผลที่สุดก็ไอ้กรรมมันหนักอีกนั่นแหลนะกรรมอันหนักทําให้หนางนั้นต้องถูกแผ่น ด, ดินสูบอีกเหมือนกันนี่เพราะเรื่องมันไม่เป็นจริงนะจนร้อนถึงเกับเท้าสา ก, กัดจึงต้องปลอมแป ล, ง, ปลงตัวมาเป็นหนูขึ้นไปตายผ้าขึ้นไปกัดเชือกผ้าที่รัดท้องนั้นขาดอาไอ้ท่อนไม้นั้นตกลงมาทับฝ่าเท้านั้นถึงกับ เลือกตกยางออกไปวิ่ง ก, ยกย็ย่เขาแยกไปแผ่นดินก็เลยสูบอีกประชาชนก็กว้างป่าโหร้องสาบแช่งกันเลการใหญ่ในนี้แผ่นดินสูบอีกเห็นไหมฉะนั้นจะบอกว่านี่แหละเพียงแต่แค่นี้ก็ยังไม่รับกรรมหนักแล้วนะยังได้รับกรรมหนักแล้วทีนี้มาในข้อสุดท้ายก็คือสังฆเภทสังฆเภทก็คือหมายถึงว่าทําสมให้ทําส่งให้แตกกันนะทาส่งให้แตกกันแม่ข้อนี้ก็ถือว่าสําคัญมากคนที่ทําสงให้แตกกันหมายความว่าไง คือคนที่ทําสงให้แตกกันนี่หมายความว่าคืออาจจะพูดจายุยงส่งเสริมนะพูดจายุยงส่งเสริมทําให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกนทําให้พระที่อยู่ในวัดนั้นต้องแตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายหรืออาจจะอยู่ที่วัดนั้นไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่วัดอื่นหรืออาจจะไปสร้างวัดใหม่นะอาจจะไปสร้างวัดใหม่อะไรก็แต่อย่างนี้ถือว่าเป็นการทาสงให้แตกกันนทําสงให้แตกกัน ทำให้อการที่จะร่วมทําอุโบสถต่างๆนั้นทําร่วมกันไม่ได้จึงต้องแบ่งแยกอุโบสถกันบ้างอย่างพระเทวทัตนี่ก็เลยจึงต้องแยกร่วมทําอุโบสถสังกรรมกับพระพุทธเจ้าเพราะมีความเห็นแตกกันอย่างนี้ไนดะ้ชื่อว่าเรานั้นอทํำลายสงทํำลายสงทํำลายหมู่คณะเพราะว่าอพระสงฆ์นั้นถือว่าเป็นที่นับถือของคณะร ห, หรือของคนทั่วไปนะฉะนั้น การที่เรามาทําลายเท่าทรงให้แตกแยกกันก็คือเท่ากับ ว, ว่า เ, าเรานี้ทําลายสิ่งที่คนเรานับถือนะสิ่งที่คนเราบูชาสิ่งที่คนเรากราบไหว้นะอันนี้เราถือว่ามีโทษมากนะมีโทษมากตัวอย่างเช่นว่าพิสูจนในอารามหนึ่งอย่างน้อยก็มีสกัก๙รูปนะในพิสูจนเหล่านั้นมีพิสูจนรูปหนึ่งก็มีความมักใหญ่ไปสูงนะคิดจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้านะคิดจะตั้งตนเป็นพระเจ้าหรือว่าคิดจะตั้ง บัญญัติข้อบัญญัติขึ้นใหม่นะประกาศว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นผิดนะก็ชักชวนให้พิสูจนอื่นประพฤ่งปฏิบัติตามนะคิดอย่างนั้นนะอย่างนี้แหละถือว่าเท่ากับว่าเป็นการกล่าวตู่แล้วก็ทําให้บุคคลเข้าใจผิดถือว่าเป็นการทําลายสองหมู่มากให้แตกกันอันนี้เราเรียกว่าอาสังฆเภทแล้วก็ปรากฏว่าชักชวนพิสูจนในกลุ่มนั้นให้ออกมาเข้าข้างต น, นะตั้งแต่สีรูปขึ้นไปก็แล้วแต่เทําให้เกิดแตกแยกความสามัคคีกัน นะทำให้อยู่ร่วมทำสังฆกรรมกันไม่ไดนะ้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอาจจะมีการดู ด, ด่าว่ากล่าวกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายๆอย่างฉะนั้นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นสังฆเภทนะฉะนั้นในอารยกรรมทั้งห้านี้นะจะเป็นมาตุฆาตก็ดีฆนะ่ามารดาก็ดีฆ่าบิดาก็ดีฆ่าพระอรหันต์ก็ดีหรือว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงกับพระโลหิตให้ห่อ หรือว่าทำสังกเภทก็ดีถือว่าเป็นอนันเรกกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดเป็นบาปที่หนักที่สุดนะหนักที่สุดและกรรมอันนี้ถือว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะห้ามหมดฉะนั้นก็ยังมาแบ่งตามลำดับอีกว่าในกรรมทั้งห้าอย่างนี้อันใดถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดนะเป็นกรรมหนักที่สุดอันนี้ท่านจัดว่าสังกเภทจัดเป็นกรรมหนักอันดับหนึ่งนะสังกเภทเป็นกรรมหนักอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าถือว่าเอาชนส่วนใหญ่เป็นประมาณ คนที่ทาลายส่งให้แตกกันนี่ว่าถือว่าทําลายสิ่งที่ชาวพุทธนับถือเคารพบูชานี่เท่ากับว่าทําลายความคิดเห็นทําลายความเชื่อถือทั้งหมดอ่ของเขาให้ต้องให้สูญเสียไปนี่ถือว่าเป็นกรรมหนักอันดับหนึ่งโลหิตบาตจัดเป็นกรรมหนักอันดับสองหมายถึงว่าทํำลายพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมหนักอันดับสองแล้วก็อนันตฆาตก็คือฆ่าพระอรหันต์เป็นกรรมหนักอันดับสามนะอันดับสามทีนี้ส่วน ข้ามารดาข้าบิดานั้นถ้าหากว่ามารดาบิดามีศีลเสมอกันท่านบอกว่าข้ามารดาเป็นกรรมหนักกว่ากว่าบิดาข้าบิดานั้นเป็นอันดับที่ห้าเป็นอันดับที่ห้าฉะนั้นที่พูดมานี้เกี่ยวกับเรื่องอนานเนกกรรมเป็นกรรมหนักก็เพื่อเป็นเครื่องตือนจิตสกิดใจท่านผู้ฟังทั้งหลายว่า ท่านผู้มีคุณแก่เรานโดยเฉพาะพ่อแม่ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วและพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ดีถ้าหากว่าเราไปทําร้ายท่านไปฆ่าท่านหรือว่าทําสง์ให้แตกกันเราก็ย่อมจะได้รับบาปได้รับความชั่วอันแสนสาหัสก็คือว่าไม่มีกรรมอะไรที่จะมาหนักอย่างนี้อีกแล้วแล้วก็ทําให้เรานั้นจะต้องตกนรกนะตกนรกไปเรียกว่า ใช้กันไม่รู้จักหมดนะใช้กันไม่รู้จักหมดฉะนั้นก็ขอให้เราเมื่อสํานึกอย่างนี้น ก, นก็อย่าได้กระพฤติอย่าได้กระทําพยายามมาบํารุงมารดาบิดาให้มีความสุขหรือว่าบํารุงพระอรหารให้มีความสุขหรือ ว, าว่ากราบไหว้บูชาคุณประพุทธประทำประสงค์ให้มีความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรื อ, รองโดยที่เราทุกคนพากันอุปถัมภ์บำรุงพระสงค์ถึงแม้ว่าสง์ในปัจจุบันนี้จะไม่ใช่เป็นอริยสงจะเป็นสมมุติสงก็แล้วแต่ก็ขอให้เราจงช่วยกนันทนลุบารุง แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกับาพาสิทธิ์ที่ว่าวัดจะดีมีหลักฐานประบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสยัยบ้านกับวัดขัดกันช่วยจึงอวยชัยถ้าขัดกันก็บัรรลัยทั้งสองธางเอาละบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนันตเรกรมมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอเจริญพรต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอาปินหะปัจเจเวขณะอาปิหะปัจเจเวขณะแปลว่าสิ่งที่เราควรพิจารณาอยู่เนืองๆหรื อ, อหมายความว่าสิ่งที่เราควรพิจารณาอยู่เป็นนิดอยู่เป็นประจำอย่างนี้ เ, นเรียกว่าอาปินหะปัจเจเวขณะ เอาป็นหาปัจจุบันขณะนี้แบ่งออกเป็นห้าอย่างด้วยกันหนึ่งควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ไปได้ข้อที่สองควรพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความเจ็บไปได้ข้อที่สามควรพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้ข้อที่สี่ควรพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเรามีความพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นธรรมดาข้อที่ห้าควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วนี่แหละคือเรียกว่าอาฟินหาปัจเจเวขณะเป็นสิ่งที่ ท่านสาธุชนทั้งหลายควรพิจารณาอยู่ทุกๆวันนะเมื่อพิจารณาทุกๆวันแล้วแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นไม่มัวเมาไม่มัวเมาในการดํารงชีวิตนะทีนี้ก็จะขยายให้กว้างออกไปแต่ละข้อนะในข้อแรกที่บอกว่าให้เราพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ไปได้นะอันนี้เป็นธรรมดาของสังขาร ว่าคนเราเกิดมาทุกคนนั้นก็จะต้องเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่อันนี้มันเป็นธรรมนว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่มาแล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นธรรมน a ของสังขารไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่มีใครแก่แล้วก็ไม่เจ็บไม่มีใครเจ็บแล้วก็ไม่ตายนะทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มันเป็นวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเมื่อตายแล้วถ้าหากว่า ยังไม่ทําดีไม่ถึงที่สุดยังไม่หมดกิเลสก็ยังต้องเวียนว่ายมาเกิดอีกนะเอาหรือทําชั่วก็ยังต้องเวียนว่ายมาเกิดอีกนะแต่จะเกิดเป็นอะไรนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ในรชานเป็นงูเป็นอ่แมลงเป็นตัะขับเป็นตองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นกบเป็นเขียดเกิดได้ทางนั้นเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้านะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอถูกไปเผาเร่าร้อนหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตอะไรนี่มันเกิดได้ทางนั้นหรือว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ บางคนก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีอวัยวะปีกนพิการนะรูปร่างไม่สมประกอบนี่มันก็เป็นเศษบาปกรรมที่มันติดตามตัวเรามานะฉะนั้นนี่แหละที่บอกว่าอคนเรานั้นให้เราพิจารณาอยู่นี้ว่าเ่าเกิดแล้วก็ต้องเป็นกันอย่างนี้นะมันเป็นวัฏจักรนะเป็นวัฏจักรเหมือนอย่างที่มีคากลอนบทหนึ่งบอกไว้ว่าสัตว์กินพืช คนกินสัตว์สัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิกินดินสิ้นสงสัยแต่เหตุการณ์ผ่านมาหน้าแปลกใจว่าทําไมพื้นดินจึงกินคนนี่มันเป็นวัฏจักรว่าคนกินสัตว์นะสัตว์ก็กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิกินดินสิ้นสงสัยแต่เหตุการณ์ผ่านมาหน้าแปลกใจว่าทําไมพื้นดินจึงกินคนนี่มันเป็นวัฏจักรกัน เรากินวัวควายช้างมา้าไอ้วัวควายช้างม้ามันก็กินพืชไอ้พืชมันก็กินดินวงที่สุดไอ้ดินมันก็กินเราเข้าไปอีกนะคือเราเราต้องถูกแผ่นดินทับถมลงไปอ่านี่มันเป็นวัตจักรอันนี้มันการเกิดมาแลว้วก็แก่แกม่มาแลว้วก็เจ็บเ็บ แ, แลว้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอ่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดเป็นบทคิดเหตุตัณหามันก็ต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้นะเกิดอยู่อย่างนี้ฉะนั้นนี่แหละเราจึงต้องพิจารณาอยู่ทุกวันพิจารณาอยู่ทุกวันเรามีความ แก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วมผลจากความแก่ไปได้ให้ความแก่ของคนเรานี่ก็ยังที่ได้พูดไว้ในสติปัฏฐานสตูตรก็ดีหรือมพูดไว้ในอริยสัจสี่ก็ดีก็มีเรื่องความแก่นะความแก่ในความแก่นี่มันเกิดมันมันเพราะมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ใ้ความแก่นี่มันเกิดจากตัวอนิจจังตัวทุกขงังคือวันเปลี่ยนแปลงไปนะ เท่าสังขารของเรานี่มันทนอยู่ในสภาวะอย่างนั้นไม่ได้นะมันจะต้องเกิดขึ้นอตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ออันนี้มันเป็นธรรมดาของสังขารนั่นเองทีนี้เมื่อมันตั้งอยู่ในสภาวะโดยไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไอการเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละมันเป็นอดีจังมันเป็นทุกข์ด้วยนะมันเป็นทุกข์คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนะที่ทนอยู่ได้ยากหรือที่เห็นได้ยาก นะมันก็เปลี่ยนแปลงไปในการเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละมันก็เกิดเป็นแก่เถ่าจากเด็กก็กลายมาเป็นเด็กโตแล้วก็เป็นมุมเป็นสาวแล้วก็กลายมาเป็นคนวัยกลางคนเนี่ยแล้วก็มาเป็นเท่าเป็นแก่นะพอเราแก่แล้วแน่นอนที่สุดนี่แหละเราก็เห็นชัดเลยนะพอแก่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้าหมดเลยนะสะติกําลังปัญญาก็ล้าสมองของเรานี่เคยคิดอะไรได้ว่องไวคิดออกมันก็ไม่ออกนะ ไอ้รูปมันก็เสื่อมเวทนามันก็หดหายไปสัญญามันก็เสื่อมนะสังขารที่พรุงแต่งจิตใจเรามันก็รู้สึกมันก็หงุดหงินไปอีกเลยนะนี่ทําให้รู้สึกริบหรี่ไปมากนี่ไอ้วิญญาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนี่เพราะอะไรก็เพราะความแก่นั่นเองพล้วเมื่อแก่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปผมก็อาจจะเป็น สีแดงเป็นรากจอกแล้วอาจจะงอกเป็นขาวนะไอ้ตาที่เคยยาวก็มาเป็นตาสั้นนะหรือบางคนก็อาจจะฟ้าฟางนะบางคนก็อาจจะเป็นมืดไปเลยก็มีบอดไปเลยก็มีมนะนะบางคนก็หูก็หนักนะพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินอ่นะมือไม้ ม, มันก็งีกงีกง้องงอ ง, ง, องมเมตเป็นไปด้วยเส้นเะอ็นนี่แหละมันเนื่องมาจากความแก่นะเนื่องมาจากความแก่ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า เราเกิดมาแล้วต้องแก่นะเมื่อ เ, เกิดมาเราก็พยายามรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีเสียแต่เาเรายังมีกำลังวังชาเสียแต่ว่าเสียแต่ที่ตัวเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าหากว่าเราไปมัวผัดวันประการันพรุ่งแน่นอนที่สุดเราก็จะพลาดโอกาสอันดีนะเราจะพลาดโอกาสอันดีฉะนั้นบางทีคนเราเนี่ย บางครั้งก็เข้าใจผิด เ, ออเห็นคนหนุ่มคนสาวเข้าวัดก็บอกแหม่ทำไมจึงมารีบเข้าวัดตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่แล้วคนหนุ่มคนสาวที่เข้าก็ทําให้คนหนุ่มคนสาวนั้นมางมางคนหนุ่มคนสาวกันเองเป็นเรื่องไม่ดีหา ว, ว่าเป็นคนข้ามคืบหา ว, ว่าเป็นเรื่องล้านหลังหา ว, ว่าเป็นเรื่องโบราณ อ, อันนี้เพราะไม่เข้าใจ wicht, เพราะไม่เข้าใจการที่คนเราได้เข้าวัดในเมื่อหนุ่มเมื่อสาวนั้นย่อมได้เปรียบ ก, กับ ย่อมได้เตียบ ม, มากกว่าคนแก่เพราะอะไรเพราะคนหนุ่มคนสาวที่เข้ามานั้นเข้ามาโดยที่ว่าสติกําลังวังชากําลังแก่กล้านะพร้อมที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการเดินเหินลุกเืินนั่งนอนมันก็สะดวกไอ้ตาดูก็เห็นได้ชัดหูฟังก็ได้ชัดนะจะพูดจะอะไรเนี่ยเขาฟังมาชัดหมดเลยแต่คนแก่นี่มันไม่สะดวกนะนะบางครั้งไม่ขอประทานโทษจะเดินขึ้นบันไดบวชเตี้ยๆยังต้อง ต้องคลั่งแล้วนะต้องคลั่งต้องจับข้าวบันไดแล้ว น, ะนี่มันไม่สะดวกแล้วฟังก็บางครั้งก็ไม่ชัดนะหูเพราะหูของเรามันไม่ดีมันแก่มันล้าไปหมดฟังก็ไม่ชัดนะเขาพูดไม่ได้เขาพูดดังแล้วเราฟังไม่ชัดก็ว่าเขาเหาว่าพูดค่อยอา้าวพอเขาพูดดังก็มาหาว่าเขาจะคอกอีกนี่นี่มันเรื่องของของความเป็นคนแก่นะของความเป็นคนแก่มันเป็นอย่างนี้เหมอทุกเรื่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้งบๆเงิน จากนั้นจึงบอกเลยว่าคนแก่น่ะมันไม่ดีหลายอย่างไม่ดียังไงตัวเองก็ติเตียนตัวเองติเตียนตัวเองว่าแหมมันทําอะไรมันไม่ได้อย่างใจนะไม่ได้อย่างใจเหลือเกินบางครั้งใช้ลูกใช้หลานแล้วแม่รู้สึกว่ามันทําให้เกิดอารมณ์ไปหมดเลยเพราะมันไม่ได้อย่างใจแล้วตัวเองไปทํามันก็ไม่ได้ดีด้วยนะเพราะ้ความเป็นคนแก่แล้วตัวเองก็เบื่อหน่ายในความเป็นคนแก่ เนี่ยเบื่อนายด้วยหมดแล้วนะอะไรมันก็สกรปรกนะมันทําสกรปรกคนแก่ในมุมหามไอ้จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นแต่เพราะความเป็นคนแก่มันก็ต้องให้เป็นไปอย่างนั้นนะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นนี่สกรปรกไปอา้าวแม้แต่คนอื่นก็เบื่ออีกนะนะั่นแหละคนแก่ให้คนอื่นก็เบื่อนะเบื่อไม่อยากใครใครรู้สึกว่าคนไม่อยากเข้าใกล้คนแก่ไม่อยากนอนกับคนแก่นะอันนี้แหละจึงทําให้ ให้เป็นพิษเป็นภัยกับคนแก่เป็นพิษเป็นภัยไงเพราะทําให้ลูกหลานนี้ไม่ค่อยรมีบัตรไม่ค่อยเอาใจใส่นะไม่ค่อยทะนุบำรุงจึงทําให้คนที่เป็นคนแก่ก็คือคว้าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนต้องอายุสั้นเพราะมีโูกและลูกคไม่เลี้ยงเพราะมีลูกและลูกว่านอนสอนยากเพราะมีลูกแล้วก็โูกนั้นเป็นที่ทุ่มทาอาศัยอะไรไม่ได้นี่แหละจึงเป็นภัยสําหรับคนแก่ที่ อที่ต้องมาแก่แล้วก็ลูกหลานก็เกิดความเดือดร้อยในความเป็นคนแก่อีกด้วยทีนี้เมื่อเราเอาเมื่อเราคิดว่าเราจะต้องแก่อย่างนี้แล้วเราก็วาขวนฝวายสร้างคนงามความดีซั้งแต่เมื่อเรายังมีกาลังวังช า, เ, าเป็นต้นว่าเราขยันเรียนขยันศึกษาขยันทํากิจการงานาตามที่ตนได้รับมอบหมายหรือว่าตามที่ตนไม่มีได้เป็น จาจะเป็นสามีเป็นภรยาก็ทําหน้าที่อ น, นั้นให้เต็มที่นะเป็นลูกก็ทาหน้าที่ของความเป็นลูกพร้อมกันนั้นก็ขยันทําคุณงามความดีคก็ ค, คู่กันไปด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือว่ามันทําสมาธิมันจะิดนสมถะวิปัจนาอันนี้แหละเราเราทำเจอแต่เมื่อมีกําลังวังชาถ้าไปทําจนแก่แล้วก็มันก็สายไปนายก็สายไปฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาว่าเราจะต้องแก่อยู่อย่างนี้ก็ย่อมจะเป็นอุบาย กําจัดความเมาในวัยได้ว่าเรายังเป็นหนุนเป็นสาวนะยังไม่เท่ายังไม่แก่ี่ถ้าหากว่าคนที่เข้ายังความเป็นหนุนเป็นสาวก็จะกําจัดไอ้ข้อหลงไอ้ข้มอมวเมาว่าเรายังไม่แก่ไม่ควรเข้าหรือยังเป็นหนุนเป็นสาวไม่ควรเข้าวัดเขาวาให้ควรไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะผิดทลาไปแต่โดยนี้ก็รู้สึกว่าเติบตัวกันมากนะพวกวัยรุ่นต่างๆนี่รู้สึกว่าเข้ามาวัดาวาศึกษาพระธรรมกันเยอะ บางที่ก็ถึงกัมาสอบธรรมศึกษาก็มีหรือบางที่ก็ระดับถึงนักเรียนนักศึกษามหาวยลก็สร้างชมรมพุทธศาสนากันขึ้นแล้วก็มีการรณรงค์ต่อต้านอับอ า, บายมุกต่างๆนานาแล้วก็บางที่ก็ชักชวนกันไปนั่งสมาธิเจริญสมถะวิปัสสนาอันนี้ดีมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการร่มต้นที่ดีแล้ว เป็นการเริ่มต้นทีดีแล้วท่า น, นสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยสนใจยังงัวเมาในวัยอยู่ยังคิดว่าตัวเองนั้นยังหนุ่มยังสาวไม่ควรที่จะเข้ามาศึกษาอาพราทามแล้วก็นั่นถือว่าเป็นความเห็นผิดถือว่ายังงัวเมาอยู่มากมาในข้อที่สองที่บอกว่าเราควรพิจารณาทุกวันว่าเรามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ คนเราพอแก่แล้วก็ยังว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็เบียดเบียนนะแก่แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาไอ้จริงเป็นหนุ่มเป็นสาวโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาแต่แต่ที่มันไม่เป็นไปตามนั้นก็เพราะว่าเรายังมีอุณาภูมิต่อต้านได้ดีอุณภูมิต่อต้านได้ดีหรือว่าเรายังมีกําลังแข็งแรงไอ้บางครั้งโรคมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่พอเราอ่อนกําลังเขาแล้วโรคมันก็โจมตีได้โจมตีได้ เหมืนเหมือนกับว่าไอเราสร้างขอบรัวบ้านไอตอนสร้างใหม่ใหม่นะรู้สึกมันก็แข็งแรงแต่พอนานไปนะเข้ามันก็ยังว่านแหละมันก็ผุพังเนี่ยผุพังรู้สึกว่ามันชับพักเรื่องหักนี่อันนี้ข้าสึดก็เข้าบ้านได้ง่ายอ่าพังประตูเข้ามาได้ง่ายเพราะมันเป็นสนิมซะแล้วนะเป็นสนิมซะแล้วมันไม่มีกําลังซะแล้วอะไรที่จะไปยึดไปเหนี่ยมันไม่มีเหมือนกันคน้องถ้าแก่ซะแล้วนี่ไอโรคมันก็เบียดเบียนมากโรคเบียดเบียนมากฉะนั้นนี่แหละ เมื่อเราเข้ามาแล้วอเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เราเกิดมาแล้วต้องเจ็บเมื่อเลยโดยที่เราพิจารณาว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้แก่แต่ตัวเราคนอื่นก็แก่ไม่ได้เจ็บแต่ตัวเราคนอื่นก็เจ็บไม่ได้แก่แต่พ่อแม่ของเราพ่อแม่ของอื่นก็แก่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บแต่พ่อแม่ของเราคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้เหมือนกันไม่ได้เจ็บแต่ลูกหลานของเราคนอื่นก็เจ็บปวดป่วยไข้เหมือนกันเราพิจารณาอย่างนี้แหละ จะทําให้เรานั้นถอนความเมาหรือขจัดความเมาในความไม่มีโรคเลยได้บางคนประมาทมโนมาว่าตัวเองนั้นไม่มีโรคสบายนะไม่มีโรคไม่มีทางจะต้องไปรักษาพยาบาลหรอกนะจริงๆแล้วคนเรานั้นมีโรคด้กันทุกคนแหยะนะมีโรคในกันทุกคนแต่ว่าโรคนั้นมันจะกําโรคเมื่อไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นคนแก่แล้วก็โรคันรู้ได้ง่ายันรู้ได้ง่ายอานจะเป็นโรคที่เกิดจากการใจเสาะโรคไม่มีกําลังวังชาต่อต้าน นี่แหละในข้ขาศึกมันก็เบียดเบียนได้ง่ายเบียดเบียนได้ง่ายฉะนั้นเมื่อเมื่อเราพิจารณาว่าเราจะต้องเจ็บปวดปวดไวข้ก็จะทําให้เรานั้นไม่ประมาทในความไม่มีโรคนะอันนี้ก็เคยได้กับตัวของอาตมาเองเก่ยวกับเรื่องของการปวดฟันนะคือตั้งอยู่มาตั้งแต่อายุถึงสี่สิบกว่านี่รู้สึ ก, กว่าตัวเองไม่เคยปวดฟันเลยในชีวิตทั้งๆ ท, ท, ที่ได้บอกว่า โครงสร้างฟันของอาตมานี่ไม่ดีหรอกไม่ดีแต่ว่าไม่เคยเกี่ยวกับไม่เคยปวดฟันไม่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องปวดฟันปรากฏว่าเห็นเขาบ่นกันจังว่าปวดฟันปวดแล้วแหมตาเทพถลนนอนไม่หลับแหมเราไม่โชคดีปรากฏเราพอพูดคุยได้ไม่ถึงสิบวันก็ปวดฟันเข้าจริงบอกแหมมันปวดแล้วรู้สึกว่ามันทรมานปวดตอนนี้ปวดจริงๆไม่อยากพูดไม่อยากคุยก็แค่ปวดตาแทพถลนยังว่าอีกเหมือนกันนี่แหมจึงบอกว่าเราปรหมาทไม่ได้ เราก็หมัดไม่ได้ไโรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดจากเรามันไม่ได้บอกอมันไม่บอกว่าจะเกิด น, นะนะมันก็ไม่บอกอฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นโรคอะไระเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรเป็นโรคปอดอเป็นโรคไขวดน้อยไขยวัดใจโรคอะไรก็มันเกิดขึ้นกับเราได้ทั้งนั้นโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตายได้ทําให้ตายไวบางอย่างก็เกิดขึ้นต้องรักษาแล้วก็อาจจะผ่าตัด ก, ก็ตายก็ได้ถ้า โลกบางอย่างเรารักษาไม่ถูกต้องก็ตายไวอีกเหมือนกันฉะนั้นนี่เนี่ยที่บอกว่าเราไม่ควรประามาทโวยาวว่าเราจะไม่แก่ว่าเราจะไม่มอไม่เจ็บปวดป่วยไข้ไม่ได้อันนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนีน้ฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นตั้งหน้าตั้งคุณงามความดีขยันเรียนขยันศึกษาทําการงานทุกสิ่างทุกอย่าง โดยไม่ถัดวันประกันปุ้งฮนะประการที่สามเราควรพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความตายไปได้นะี่เรากลัวตายกันจริงๆฮนะกลัวตายก็ตายไม่กลัวตายก็ตายจะเอาอย่างไงฮนะกลัวตายก็ตายไม่กลัวตายก็ตายในคนกลัวตายก็คือเป็นคนอ่อนแอจิตมันตลดถดถูไม่อยากจะทาอะไรแม้นะพอจะทาก็อ้างไปเลยวกลัวตาย นะก็เลยทําให้ตัวเองนั้นไม่ก็ได้สร้างคุณงามความดีทั้งเจตุสิคนที่กลัวตายมักจะอ้างว่าหนาวออกจะตายไปอ่านะยังไม่อยากจะทำํำนอะ่ะอ่ายังเช้าไหอ่านะยังเช้าทําอะไรวันเช้าออกจะตายไปอยาให้สายกุกลอ่เนะนี่เมืนออกจะตายไปเอ่านะร้อนออกจะตายไปเนะี่ยรู้สึกพูดอะไรมันมีจะตายอยู่ด้วยนะทําอะไรก็จะตายอยู่เลยนี่แหละคือคนที่ขัดคนประกันชุ่มคนที่อ่อนแอ คนประเภทนี้แล้วก็ดำเนินชีวิต อ, อ, อย่างรุ่มรุ่มดานดานแล้วก็จะประสบแต่ความทุกข์มากประสบแต่ความทุกข์มากฉะนั้นเราอย่าผัดวันจากกันพรุ่งเพราะความตายนั้นจะมีแก่เราทุกคนไม่เลือกชั้นวันละไม่เลือกชั้นวันละเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่ตายได้ทั้งนั้นตายได้ถึงชาวตายตายถ้าไม่ถึงชาวตายก็ไม่ตายอีกเหมือนกันดังคำกวามบทหนึ่งว่า ถ้าไม่ถึงคราวตายวายชีวาดใครวิคาดเข็นข้าไม่อาสัญแต่ถ้าถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟัน <_ d ance> ดันแทงเหง <helps> ือกก็เสือกตายนี่เป็นคํคากลอนที่คขําดีเหมือนกันอถ้าไม่ถึงคราวตายวายชีวาดใครวิคาดเข็นข้าไม่อาสัญแต่ถ้าถึงคราวตายวายชีวันไอ้ไม Ganz ้จิ้มฟันไปที่ยงเหงือกหน่อยเดียวแล้วก็ตายได้คือเลือดออกมากเป็นโรคลักก็ปิดแล้วก็เป <_ d ance> ิดตายกันพอดีหรืออาจจะไปเอาไอ อะไรมาแคบฟันอาจจะเส้นจะติดเข้าไปก็อาจจะตายก็ได้นี่ฉะนั้นที่บอกไม่แน่นคนเราถึงาตายมันตายถทำไมถึงาวตายมันก็ไม่ตายะไม่ตายบางโคมิดแม้เกิดอุบัติเหตุนี่ผ่าตัดเยอดแล้วเยอะอีกเลยก็ไม่ตาย น, นี่ฉะนั้นบทมันจะตายตรงนี้มันตายได้ทุกนาทีทุกโอกาสฉะนั้นเราอยากประมาทว่าเราไม่ตายหรือว่ายังไม่ตายยังง ม, ม, มอยู่นะยังสาวอยู่อยังมีกําลังวังช้าอยู่ ไม่มีโรคภัยไขเจ็บเด็กเดียนอยู่คงไม่เป็นนายมั้งคงไม่ตายมั้งอ่าไม่ได้ความตายมันไม่เกี่ยวว่าตายได้ทางนั้นอ่าคนรวยก็ตายอ่าคนจนก็ตายอ่าคนคนธรรมดาก็ตายอ่าเป็นในร้อยก็ตายเป็นในพันก็ตายเป็นในพนก็ตายตายได้ตายทางนั้นเลยอ่าแล้วก็ความตายนี่รูปสวยก็ตายรูปไม่สวยก็ตายยาจบพวกนี้พวกขอทานพระราชาหมาก็สัตว์ตายทางนั้น นะตายทางนั้นเลยไม่มีใครที่จะไม่ตายเมืองไทยก็คนไทยก็ตายคนจีนก็ตายญี่ปุ่นหรือจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เวียดนามเวียดกองอะไรเนี่ยตายทางนั้นเลยหรือพรังมังค่าที่ไหนก็ตายนี่แหละเรียกว่าตายด้วยกันทั้งโลกแต่เราไม่รู้หรอกว่าความตายนั้นจะมีถึงเราเมื่อไหรนะ่วันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่า <c oughs> อัจเชวกิจจะมาตักปัง เราควรรีบทำความเปลี่ยนเสียแต่วันนี้นะทำเสียแต่วันนี้อย่าไปบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเราบอกว่าพรุ่งนี้มันก็จะต้องพับไปว่าพรุ่งนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ถึงวันนี้สักทนะีฉะนั้นเราก็ควรจะทำเสียแต่วันนี้นะเมื่อเราทำความเปลี่ยนเสียแต่วัน today, นี้แน่นอนที่สุดจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตนะไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่ตาย หรือว่ายังไม่ตายนะก็จะทำให้เรานั้นคิดทำแต่การงานคิดทำแต่หน้าที่ที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมไม่เป็นผู้ที่อยู่นิ่งเฉยนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะเรียกว่าในเวลาที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นั้นก็ใช้ไม่ใช้ชีวิตให้เป็นหมันนะคือใช้ให้คุ้มค่าเรียกว่าใช้เวลาทุกนาทีให้ให้มีค่านะใช้เวใช้วาจาทุกคาชื่นชมหูนะ ใช้ความคิดอิสระจะชื่นชูอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าคนใช้เวลาเป็นคนที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ใช้ไนดะ้เบาาื้องการที่สี่ก็คือให้เราพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเราจะต้องพัดภาจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิน้น อ, อันนี้ขอให้เราพิจารณาดูว่าเราทุกคนนั้นจะต้องพัดพลาดสิ่งที่เรารักเราก็ต้องจากมัน แม้เราไม่ทักเราก็ต้องจากมันมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันนี่มันเป็นธรรมดาเขาบอกว่ามีภัยอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นภัยอันร้ายแรงที่สุดนะที่พากพ่อพากแม่พากลูกให้จากกันก็คือความแก่ความเจ็บความตายในสามอย่างนี้ถือว่าเป็นภัยที่พากพ่อพากแม่พากเมียพากผัวพากลูกกับพ่อแม่ ให้ฝากคือฝากมองให้จากกันถึงเราไม่อยากให้มันจากมันก็ต้องจากเราไม่จากลูกลูกก็ต้องจากเราสามีไม่อยากจากภรรยาภรรยาก็ต้องจากสามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายน้นต้องจากกันแน่ต้องจากกันแน่พ่อแม่ไม่อยากจากกับลูกแต่ลูกก็ต้องจากลูกไม่จากเราเราก็ต้องจากลูกเมียไม่จากผัวผัวก็ต้องจากเมียพ่อไม่จากแม่แม่ก็ต้องจากพ่ออันนี้ เป็นกฎธรรมดาของโลกนะเป็นกฎธรรมดาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการพัดพลาดนะจากของที่รักของที่ชอบใจไอไรระไรเรารักล่ะชอบใจเรารักโลกนี้เราลักทรัพย์สมบัติเราก็ต้องจากไปไอ้ทรัพย์สมบัติที่เราได้แสวงหากันนั้นะเราก็เอามาใช้ในในการดำเนินชีวิตไปวันวันหนึ่งเพื่อความสะดวกเพื่อความั่องตัวไปวันวันหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นนมะใช้ให้เป็น ถาใช้ไม่เป็นมันก็เป็นทุกอีกเหมือนกันบางคนก็กอบโกยเอามามากบางคนก็แสวงหามามากจนถึงแก่มีการคอร์รัปชันกันมีการจี้ต้นข้ากันอันนี้เขาเรียกว่าทําไม่ถูกนะเขาเรียกว่าทําไม่ถูกอเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นใช้ทรัพย์ไม่เป็นนะบางคนก็พยายามกอบโกยเอามาอาไม่ได้โดยสุจริตก็เอาทุจริตออกมาแต่ผลที่สุดตัวเองตายก็เอาไปไม่ได้ขนาดสปรเลอตายใส่ไปในถากแล้วก็ยังเอาไปไม่ได้สับปะต้องล้วงออกไป นี่อันนี้เราเห็นชัดเลยว่าเมื่อเราเมื่อเราสะสมไว้มากๆก็ถึงเวลาจริงเราเอาไปไม่ได้เหมือนที่อย่างที่เขาบอกว่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลเรายังต้องทิ้งทรัพย์ทั้งหลายให้พวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟนะเรามีลากมียศอะไรทรับยเป็นเงินทองมีเท่าไรเราเอาไปไม่ได้เลยหาไปไม่ได้เราไม่มีใครหาทรัพย์ตรงนี้ไปเผาไฟไม่มีหรอกนะไม่มี เราจะมียศเป็นในร้อยในพันในพลเราก็เอาไปไม่ได้อ่ไอ้ที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญกับบาปแค่นั้นเองบุญกับบาปนี่แหละมันเป็นเงาติดตัวตามเราไปอ่ถ้าเราทําดีก็เป็นบุญเป็นกุศลก็จะติดตามตัวเราไปให้เราหนึ่นไปเกิดในที่ดีถ้าเราทําไม่ดีอ่าทาชั่วทําบาปมันก็จะส่งผลให้เรานั้นไปเกิดในที่ไม่ดีไปเกิดในทุกขติก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนี่ ฉะนั้นอเราจะต้องพิจารณาว่าแน่นอนที่สุดเราจะต้องพัดภาคจากกันพัดภาคจากกันฉะนั้นจึงมีกองบทหนึ่งบอกไว้ว่ามีเงินทองกองล้นพ้นภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้เพื่าไหผลอันความตายหมายไว้ทั่วหมายไว้ทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไรชีพไม่คืนติดสินบนเท่าไรชีพไม่คืนนี่อันนี้ก็เห็นชัดเลยเห็นชัดเลย ว, ว่าไอ้ทรัพย์สมบัติต่างๆนี่มันต้องมีการพัดภาค ก, กันะ แต่ว่าทรัพย์มันมีสองอย่างคือว่าทัพย์ที่มีชีวิตกับทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตทรัพย์มีชีวิตก็เช่นว่าลูกมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยลูกมียหรือพวกเมล์ไฟล์ช้างม้านี่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีชีวิตมีวิญญาณที่เดินได้เคลื่อนย้ายได้ทรัพย์ที่ไม่มีชีวิตก็แก้วแหวงเงินทองที่นาที่ไร่บ้านท่องห้องหอจุกรามนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะอันนี้เราก็ต้องจับถึงเราไม่จับมันก็ต้องเก่าข้ามข้าไปอันนี้ก็เป็นธรรมดา เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นอุบายป้องกันเรานั้นไม่ให้เกิดทุกขโทมณัตเกิดความเสียใจเกิดความคับแค้นใจเกิดความขัดเคืองในเมื่อเวลาเราต้องพัดพราดจากในวัตถุที่รักก็ดีหรือว่าจากลูกหลานลูกเมียของเราที่ชอบใจก็ดีเราก็จะขม่มใจไว้ได้ไม่ให้มัวเมาแม่แต่เยอทะยานจนเกินควรหรือเกินพอดีในข้อสุดท้ายคือข้อห้าก็คือว่า ให้เราพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนะเราจักทำดีได้ดีเราจาักทําชั่วได้ชัว่วนะคือว่าเราทุกคนนั้นแน่นอนที่สุดเกิดมาก็ด้วยกรรมเพราะกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตวนะ์ให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้ น, ะนี่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายนี่ก็เพราะกรรมเนะพราะกรรมทางนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เราเกิดมามีอายุยืนก็เพราะกรรมเราเกิดมามีอายุสั้นก็เพราะกรรม อเกิดมามีโรคมากกว่าเพราะการรมเกิดมามีโรคน้อยก็เพราะการรมนี่ก็กรรมทางนั้นคนมีอายุยืนก็เพราะไม่ฆ่าสัตว์คนมีอายุสั้นก็เพราะฆ่าสัตว์คนมีโรคมากกวเพราะเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ทรมานสัตว์คนไม่มีโรคน้อยก็เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์อคนมีผิวพรรณซามก็เพราะเป็นคนชอบโกรธคนมีผิวพรรณงดงามกว่าเพราะไม่โกรธคนมียศศักดิ์ต่ำก็เพราะเป็นคนชอบอิจฉาริษยาคนมียศศักดิ์สูงก็เพราะไม่อิจฉาริษยาคนมี ความร่ำรวยก็เพราะเป็นคนชอบให้ทานเ อ, อื้อเฟ้อัผ่อแผ่คนมีความยากจนก็เพราะไม่ชอบให้ทานไม่ชอบเ อ, อื้อเฟื้อเ่อแผ่แกผู้อื่นอคนมีคนเกิดในตระกูลสูงก็เพราะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนเกิดในตระกูลต่ำก็เพราะเป็นคนกระด้างถือดีอวดดีคนมีปัญญามากเพราะเป็นคนแสวงหาความรู้คนมีปัญญาน้อยเพราะเป็นคนไม่แสวงหาความรู้นี่เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นฉะนั้นให้เราต้องพิจารณาอยู่ว่า เราทําดีเราก็จับได้ดีเราทําชั่วเราก็จับได้ชั่วว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยนะเราทำกรรมอย่างไรก็จับได้ทับกรรมอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เราเป็นเหตุละในสิ่งที่ชั่วและประพฤติแต่ทําที่ดีนะทั้งเป็นเหตุให้มั่นคงในการดํารงชีวิตเอาละในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารปัจจุบันขณะมาก็พอสมควรกับเวลาฉะนั้น ก็ข อ, อุติไว้เพียงทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร